บัรนีจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปองค์ธรรมที่ได้นำมากล่าวตามระดับนั้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาหลักของการปฏิบัติจริงๆ ก็คือบุคคลต้องเพิ่มพูนสติสัมมชัญญะและความเพียรให้สูงขึ้นตากว่าคุณธรรมทั้งสามประ ก, การนี้เพิ่มพูนขึ้นมาได้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรียกชื่อว่านิวรเรียกชื่อว่าสังโยชน์เรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามก็จะถูกบรรเทาลงไปสงบลงไปจนถึงกระดับตรงไป ธรรมะปฏิบัติจึงเป็นเรื่องวิธีชีวิตเป็นเรื่องคุณภาพของชีวิต จ, จิตใจซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วมันก็มีอยู่แล้วภายในใจของคนแต่ละคนโดยสถานการณ์ปกติเราก็มีธรรมะเหล่านี้ใช้ได้คุ้มครองตัวเองไว้ได้แต่ว่ า, ช, าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ประสบเหตุการณ์ปกติธรรมดาเสมอไป บางครั้งมีลักษณะกระแทกกระทันมาจากข้างนอกแต่ว่าแข็งแกร่งไม่พอมันก็เป็นไปเป็นอันตรายได้ก็นี่พึงสังเกตในเรื่องทั้งหลายเช่นย า, านภานะต่างๆที่เราใช้คือถ้ามองในแง่ของการนั่งได้อาศัยไปได้ในสถานการณ์ปกติก็ไม่จำเป็นจะต้องมีลำใหญ่ๆยาวๆ แต่เพราะในท่ามกลางมหมายสมบุตรก็ดีในถนนบนถนนนทางก็ดีบางครั้บางครั้งไปเจอปัญหาทะยานภาณเช่นเรือเล็กเกินไปไปเจอคลื่นเจอน้ำบนเจอพายุเ ข, ข้ามันก็ต้านทานไว้ไม่อยู่เรือก็ล่มคนก็ตายชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่เดียวกัน เหตุการณ์ต่างๆที่เราเรียกว่าวิกฤตซึ่งจําเป็นจะต้องมีสติสมัมปชัญญะดีมีกะลังกายกำลังใจดีแต่สามารถฝ่าวันตรงนั้นไปได้มันก็เหมือนกับเหตุการณ์วิกฤตทั้งหลายจึงเกิดการจราจนเกิดแผ่นดินไหวเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเกิดการตื่นสนุกวิ่งกันมาเป็นแถว เหตุการเหล่านั้นมีคนรอดปลอดภัยมีคนบาดเจ็บมากบางน้อยบ้างแต่ก็มีคนล้มตายภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขภายในตัวของบุคคลแต่ละคนซึ่งอยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์อย่างเดียวกันทําไมคนบางคนได้รอดปลอดภัยไปได้โดยไม่มีรอยบาดเจ็บขีดข่วนแต่ประการใดทําไมบางคนเจ็บน้อยบางคนเจ็บมากบางคนเจ็บสาหาัสบางคนตาย ตรงนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวจนอกประโยชน์เหตุการณ์ในเดียวกันเช่นว่าเผชิญพายุด้วยกันเผชิญน้ำหลากด้วยกันเผชิญแผ่นเด่นไหว้ด้วยกันเผชิญคลื่นหมาชนมาด้วยกันแต่ตัวการสําคัญมันก็อยู่ที่ตัวคนแต่ละคนในขณะนั้นมีการตื่นสนกุกไหมมีสติสมรจัญญะดีพอไหม สถานาการณ์ที่เลวร้ายลงไปแล้วถ้าหากว่รรคขาดสติสัญญาเป็นสถานาการณ์เหล่านั้นมันก็ซ้ําเติมตัวเองมากขึ้นขึ้นภาพเหล่านี้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเราที่ดําเนินไปแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อารมณ์บุคคลเรื่องราวต่างๆเป็นอันมากมีเหตุการณ์เป็นอันมากที่เราฝากฝันไปได้เราผ่านไปได้ความสบายดีมันก็เกิดขึ้นในจุดนั้น แต่บางครั้งเหตุการณ์รุนแรงเรามีปัญหาภายในภายนอกเหตุการณ์แรงตอนนี้จะสูญเสียการส่งตัวจนถึงเป็นอันตรายจนถึงก็ล้มตายดังกล่าวเพราะการเพิ่มพูนสติก็ดีเพิ่มพูนสัมมัญญาก็ดีเพิ่มพูนความเพียรก็ดีแต่และอย่างนั้นเรามีชายอยู่แล้วระดับหนึ่ง้เราสังเกตที่จริงเราก็มีสติสมัมมญัชญ เรามีสติเราลึกรู้สิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ปัญหาว่าถ้าสิ่งเราดันมาเร็วถามมาราลึกทันไหมคล้ายๆกับเรนับนับของที่มันไหลามาถ้าไหลชา้ชาๆจนผลไม้ก็ปล่อยให้ไหลามาชา้ชาๆเราก็นับได้แต่ปัญหาว่าถ้านับเร็วล่ะถ้าผลไม้มันไหลามาเร็วนับทันหรือเปล่า ถ้าสติเรามีเท่าเดิมเราก็นับไม่ทันแต่คนที่ฝึกปลือมมาใครก็นักมวยที่เขาฝึกก็ฝึกสายตาในเหตุการณ์บางอย่างตามปกติคนจะหลับตาแต่พวกนี้ฝึกโดยไม่ต้องหลับตาถามว่าทำได้ไมมก็ทำได้ทำได้เลยหรือเปล่าก็ทำไม่ได้มันจำเป็นจะต้องมีการฝึกปลือมขึ้นมา การใช้สติในระดับทั่วๆไปในระดับการดาเนินชีวิตปกติธรรมดาหรือขับรถไปตามปกติธรรมดาเดินไปในถ้ำกลางถนงนลนทางที่ไม่สับสนวุ่นวายไร้ทายมันก็เดินไปได้ปกติแต่ถ้าถ้ำกลางบุคคลที่จอแจเต็มไปหมดมียอวยานเต็มไปหมดคนก็เต็มไปหมด ตัวนี้สติต้องมากแล้วสติเท่าเดิมมันก็มีไม่พอใช้นี่ทำยังไงจึงให้มีสติพอใช้มันก็เหมือนกับความรู้มือก็ฝีมือมือก็เงินทองให้มีให้เหลือใช้เบี่ยงการาต่างๆเกิดขึ้นจาเป็นจะต้องใช้ความรู้อีกระดับหนึ่งใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งคือเพิ่มขึ้นแต่เราไม่มีเราก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้ าการฝึกปือเรื่องสติท่า น, นทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงเมื่อก็มีการฝึกปือระดับในชีวิตประจําวันมาแล้วเรามีพลังพลาดบางเราทําได้ถูกต้องสมบูรณ์บางแต่ถ้าไปมองสิ่งที่เราทําได้ถูกต้องสมบูรณ์แสดงว่าไม่ต้องใช้สติมากเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ถ้าหากว่สิ่งเหล่านั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมื่ก็มีถูกบ้างผิดบ้างตลับ ถ้าสลับซับซ้อนมากบ า, า, างทีภาษาไม่ออกก็หมายความว่าสติในจุดนั้นไม่พอใช่แต่คนที่ฝึกปรือมาก็ก็ทําได้เช่นพวกกายกรรมอะไร ต, ะะไรต่างๆที่เขาฝึกปรือกันมาเราดูแล้วไม่น่าจะทําได้แต่ก็ทําได้นะแสดงเขาฝึกปรือกันมาดี แนวการฝึกปรือสติจึงฝึกปรือทั้งในส่วนการระลึกนํามาใช้ได้เวลารวดเร็วเช่นตัวอย่างในการศึกษาในการสอบในการตอบ ค, ำคำําถามเราจะเห็นว่าเขาจะบีบเวลาเอาไว้าข้อสอบอย่างนี้เวลาเท่านี้เธอตอบได้ถ้า ต, ตอบไม่ได้ก็ตกเวลาตกเวลาหมายความว่าคะแนนมันก็ลดลงไป แต่ถ้าคนระลึกได้เร็วมันก็สามารถตอบได้เร็วขีดได้เร็วแต่การฝึกปืนเหล่านี้หมายความว่าเราต้องฝึกปือในการระลึกรู้วิชาการต่างๆเหล่านั้นมาโดยดําดับภารกิจการงานบางอย่างที่คนก็ทําจากนี้จาหน้าก็ทําได้เร็วเรารู้แล้วเราก็ทึ่งก็ทําได้ยังไง นั่นคือลักษณะาการสะสมประสบการณ์การสะสมสติให้มีการระลึกอย่าได้อย่างตอนหนึง่ง้นบางอย่างมันทำได้โดยอัตโนมัติแต่ที่จริงมันไม่ใช่อัตโนมัติเพียงแต่ว่าทำได้เร็วเราดูคล้ายๆอัตโนมัติแล้วก็มาระลึกถึงระดับศีลระดับสินที่จริงก็คือการฝึกสติให้ระลึก บางทีเราไม่มีศีลมาก่อนแล้วก็เจอเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะละเมิดศีลเช่นเจอทรัพย์สินเงินทองก็วางลืมทิ้งเอาไว้เจอเรื่องราวต่างๆที่ควรจะโกหกจึงจะรอดปลอดภัยถ้าเราขาดสติตรงนั้นเราอาจจะหยิบช่วยทรัพย์สมบัติเข้าไปหรื อ, อจจะโกหกไป แต่ถ้าเรามีสติเราเลือกรู้อยู่ว่าทัพยงง์ยังไงยังไงมันต้องมีเจ้าของการหยิบฉวยไปโดยไม่ใช่เป็นสิ่งของของเรานั้นไม่กวดมันผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมสร้างความเจ็บช้ำสร้างความเดือดร้อนซ้ําเติมบุคคลอื่นมีปัญหาทั้งเราและคนอื่นสติเมันเกิดมันก็ปิด ก, การการกระทำเองเราเรียกความรู้สึกนึกคิดแนวนี้ว่ามโนธรรมสํานึก มันมีสำนึกลึกๆอยู่ภายในใจเราประกอบการที่เกิดมาเป็นคนมีสุขภาพภารณาหมายดีประสมควรนั้นที่จริงก็มีอะไรอยู่เบื้องหลังเยอะโดยเฉพาะพื้นฐานระดับมโนธรรมมีปัญหาต่างๆจะเราสามารถคิดได้เราลึกเอาได้โดยไม่จำเป็นว่าต้องสมาทานศีลอะไรเพราะความคิดเรื่องศีลเป็นอาการของมโนธรรมสานึก ภาษาธรรมดาก็คือสามัญสำนึกหมายความคนทั้งหลายก็คิดได้แต่คนเหล่านั้นไม่จําเป็นจะต้องรู้จักพระพุทธศาสนาไม่ต้องรู้จักศาสนาอะไรเลยก็ได้ อ, อาจเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีศาสนาก็ได้แต่การรู้สึกรักหวงใยตัวเองทรัพย์สินตัวเองคู่ครองตัวเองต้องการความข้อมูลข่าวสารที่ถูกตรงตามความเป็นจริงนั้นเป็นความรู้สึกพื้นฐาน และความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเรามองให้ดีมันกระจายไปสู่สัตว์เดราาัจฉานเช่นเราเรียกสัตว์มาจะให้อาหารเนี่ปรากฏว่าไม่ไม่ใช่อาหารจริงแต่เราให้เขาจริงๆไม่ใช่อาหารสัตว์เขาโกรธเขาก็ไม่พอใจแล้วไม่ต้องพูดถึงชีวิตไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เขาครอบครองไม่ต้องพูดถึงคู่ครองของก่อนตอนตรงนี้ถ้าเราฝึกสติให้คิดให้เราลึกขึ้นมาท่านมันก็หยุด พฤติกรรมทั้งหลายที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปได้โดยไม่จําเป็นจะต้องสมถทานศีลมาก่อนถึงก็หมายความว่าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้วภายในใจเราแต่ว่ามีพอใช้หรือเปล่าเพราะในขณะนัน้นมันมีสิ่งที่มากระแทกกระทันใจเช่นตัวอย่างเงินที่วางเอาไว้ดังกล่าวบางทีเงินมันไม่มากไม่ค่อยกระแทกอะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าเงินมากๆเรามีปัญหาเรื่องเงินอยู่ด้วยมาผสมประสานกันสองอย่างก็ทำนองรกค่ๆกับสุขภาพร่างกายเราไม่เคยดีด้วยเรามาเจออากาศวิปริตข้างนอกด้วยปรเดี๋ยวก็เจ็บไข้ไม่สบายในการระลึกในแนวนี้ท่านจึงสอนวิธีการเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเสริมสติของเราแต่ก็จริงในภาคปฏิบัติเราก็รับผิดชอบเราเอง ไม่ได้ไม่ได้มีใครมาดูแลไม่มีใครมาคอยระมัดระวังให้เราเพียงแต่ว่ามีคนคอยชมคอยติอยู่เท่านั้นเองแต่เราทำอะไรในลักษณะที่ขาดมโนธรรมสำนึกคนที่รู้เห็นการกระทาเหล่านั้นเขาก็ตำหนิเก็ทุงจริงแต่ว่าการทุ่งติิงของคนไม่ใช่ข้อยุติเสมอไป การต้วงติ้งหล่านั้นอาจจะเกิดจากความริษยาอาจจะความแข่งดีอาจจะการดูถูกดูหมิน่นอาจจะต้องการแสดงความเก่งกาจของตัวเองก็ได้เป็นการโ อ, โ อ, โอโ้อวดพู้เจ้าก็ให้มองไปที่คนดีเขาตำหนิทีเจ็ดคนดีก็าตำหนิยกอเขายก ย, ก ย, ก ย, ก ย, กยก่องสรรเสริญจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ความรับผิดชอบจริงๆก็คงอยู่ที่ตัวของเรา แล้วก็ฝึกความสัมรวมหลานี้มาเรื่อยๆก็หมายความว่าบางครั้งบางคราวเป็นการตัดกระแสของปัญหาต่างๆเสียเช่นไม่คบคนที่มีปัญหาไม่ไปในสถานที่มีปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีปัญหาตัวนี้จะออกมาแนวข้ามอยู่ด้วยหมายความว่าบุคคลภายในสังคมที่ก็มีประสบการณ์ ของสิ่งเหล่านั้นรู้โทษของสิ่งเหล่านั้นชัดเจนก็มีความเมตตาหวังดีต่อคนอื่นที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ทํานองคล้ายๆเขาบอกตรงนี้ทางขาดตรงนี้น้ําท่วมตรงนี้มีโจรตรงนี้มีหลุมบ่อต่างๆอย่าไปมีลักษณะเป็นการห้ามแต่จรงิงๆเขาก็ไม่มีสิทธ์ห้ามอะไรอยากไปก็ไป เพียงแต่เขาขอทำหน้าที่ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์เทนั้นเองก็บอกกล่าเอาไว้เขียนป้ายบอกไว้ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนต้องทำตามแต่บางคนที่เขาทำนั้นเขาแสดงความเป็นผู้มีเมตตากรุณาออกมาเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนที่พระเจ้าทสรงสอนในลักษณะการห้ามเป็นบทบัญญัติของศีลมีแนวลักษณะของการห้าม หรือพวกอบายามุกเป็นการชี้โทษไม่ถึงก็ห้ามวิย่าไปแต่ก็สรงชี้โทษได้ดูว่านักเลงหญิงเป็นอย่างนั้นนักเลงสุราเป็นอย่างนั้นการพนันเป็นอย่างนั้นควบคุชั่วเป็นมิตรมิโทษเป็นอย่างนั้นเที่ยงกลางคืนมีโทษอย่างนั้นถ้าคนรักตัวไม่ปรารถนาให้ความเสื่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเขาก็ ง, งดเว้นเขาก็ได้รับความดีจากการงดเว้นตรงนั้น พระเจ้าท่านก็ไม่ได้รับอะไรนั่นก็คือลักษณะการสารวมระวังการฝึกปลือสติบางอย่างเนี่ยคนอื่นเข้าเสริมด้วยเข้าช่วยด้วยมีรูปคล้ายๆกับเป็นบทบัญญัติห้ามแม้แต่ข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยมันก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ผิดกฎหมาย ถามว่ายังมีคนทำไหมก็มีคนทำเยอะไปถามมีคนงดเว้นไหมก็มีคนงดเว้นมากกว่าคนที่ละเมิดสแสดงให้เห็นถึงสติของคนทั้งสองฝ่ายโดยมีการระลึกรู้บาปุญคุณโทษที่แตกต่างกันคนที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองสแสดงเห็นถึงขาดสติการระลึกรู้ในขณะนั้น พอทำไปแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองภาพข่าวคราวต่างๆเราเห็นภาพข่าวออกมาจากโซเวียตเมื่อวานบอกว่านักโทษอยู่ในห้องหนึ่งตั้งห0สบคนภาพจับแต่ละคนมีเม็ดปืนคันมีแผลผู้พองมีจุดเปื่อยน่าที่จะนั่งจะนอนก็ลำบากอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงไปอากาศเขาไม่บริสุทธิ์ ถ้าตรงนี้ถ้าคนใช้เป็นบทเรียนได้ก็ระลึกได้ว่าคุกมันก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อก่อนคนเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่อย่างอิสระได้แต่การที่เข า, า, า, าต้องติดคุกก็เพราะเขาขาดจิตสำนึกขาดการสำรวมระวังไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายออกไป ผลนั้นยังเกิดจกการขาดสติของเขาขาดเหตุผลในการดำารงชีวิตของเขาก็กลายเป็นบทเรียนสำหรับคนอื่นและคนตรงนั้นเองถ้าสํานึกหลาบจำมันก็จะมีการลดหยอดผ่อนโทษลงไปและในที่สุดก็ออกมาสู่อิสรภาพได้พอสํารวมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีคนคอยบอกกล่าวคอยให้สติคอยตักเตือนอยู่ด้วย ตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าไปตรงนั้นอย่าไปแต่ถ้าระดับเด็กๆ เ, เนี่ยจะไม่ให้ไปห้ามเด็กเข้าไปคืนเข้าไปมีการลงโทษแต่่าถึงจุดหนึ่งถึงบอกแต่ว่าไม่ควรเข้าไปทัวเอ็ก็ไม่ได้ห้ามคือไม่มีสิทธิ์จะห้ามแต่ถ้าเข้าไปก็ประสบผลตรงนี้จะมีลักษณะของกรรมที่ชัดเจน ถือถ่าเป็นเรื่องกรรมของเขาแต่ว่าคนคนอื่นเขาอาศัยเมตตากรุณาเขาคงเบอกรงกล่าอย่างนั้นเองแล้วก็อยู่ในชั้นศีลเช่นเดียวกันแต่มันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจตัวเองท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขามองเป็นธรรมะหือเป็นธรรมะปฏิบัต แต่ถ้าหากว่าสำหรับนักบวชแล้วถือว่าเป็นศีลหมายความว่าการกระทาอย่างเดียวกันนั่นเองถ้าพระธรรมผิดแต่าชาวบ้านทำไม่ผิดถึงชาวบ้านระดับระดับรักษาศีลนุโสถก็เริ่มจะผิดละให้เราสังเกตว่าศีลศีลศีลข้างหลังที่ต่อจากสุราไปไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไร กินข้าวเย็นดูคว้นน้ำกับร้องพระโขนดุนซีดีซีที่ปอต่างๆประดับประดาร่างกายสวยงามนอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ได้บาปกรรมอะไรแต่มันเป็นการกระตุ้นกิเลสมันเป็นการกระตุ้นกามราคะกระตุ้นโทสะให้ลองสังเกตเราดูการแสดงดูภาพยนตร์ดูอะไรใจมันแปรผันไปตามบทบาทที่มีการแสดง ราคาไม่มีก็เกิดมีราคาขึ้นโทสะไม่มีก็เกิดมีโทสะขึ้นโมหะไม่มีก็มีโมหะขึ้นความรุนแรงในอารมณ์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีบางคนไปดูภาพยนตร์แล้วก็ร้องไห้ออกมาน้ำตานองหน้าก็แสดงว่าถูกกระตุ้นจากบทบาทที่มีการแสดง แ, แสดงไปก็เพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์ ดูไปก็เพิ่มกิเลสเพิ่มทุกข์นักก็เสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียสตางค์เสียเวลาเสียอะไรอีกเยอะทั้งอาจจะเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้ไปมีการละเมิดศีลเพิ่มขึ้นบทบัญญัติตรงนี้ที่จึงเป็นระดับศีลที่ชัดเจนหมายความว่าทั้งชาวบ้านที่รับสาศีลนุโบสถศีลแปลทั้งพระภิกษุสามเณรภิกษุณีคือขึ้นไปทั้งหมด เป็นความผิดระดับสิทธิเน้นเรื่องการสำรวมระวังเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนปานปิดกั้นคล้ๆก็ปิดกั้นเชื้อโรคตรงนี้ไม่ควรไปอากาศไม่ดีอากาศเป็นพิษจะมีการบอกกล่าวเอาไว้แต่คนต้องการให้สุขภาพดีก็มีการ ออกมาคล้ายๆกับกฎข้อห้ามดังกล่าวแต่ถามว่ามีการละเมิดไหมก็มีการละเมิดก็รับผิดชอบเองนะเกันถามว่าพระมีละเมิดไหมก็มีละเมิดโยมมีละเมิดไหมก็มีละเมิ ด, มมมดแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ละเมิดเพราะว่าจิตสํานึกเขามากพอที่จะคุ้มครองตัวเองตรงนี้คือเป็นการตัดตัวกระตุน้นความรุนแรง ไม่เกิดขึ้นภายในใจหมายความว่าใจจะไปได้เชื้อทางอารมณ์ข้าวก็ไม่ให้ดูสิ่งโดดนั้นบางครั้งบางคราวภาพทั้งหลายที่ลันนกษณะกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะก็ไม่ให้ดูกระตุ้นความหวาดกลัวก็ไม่ให้ดูไม่ได้มีอะไรตอนนั้นที่จริงยังไม่ได้ทําชั่วหรอกแต่มันอาจจะกระตุ้นให้กระทำชั่วได้หรือไม่ทําชั่วในวันนั้นจะมีการเก็บสะสม สะสมก็ใค่สะ ส, สมเชื่อโรคมันไม่ป่วยวันนั้นหรอกแต่ว่าสะสมไ ป, ไปบ่อยๆวันหนึ่งถือก็ป่วยจิตใจของบรคคลเราก็มีลักษณะเช่อเดกันแนวปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธเจ้าหมายว่าจะทรงจำแนกแสดงวิจิตพิสดารยังไงก็ตามโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นอย่างนั้นเต็มโครงสร้างจริงๆพูดถึงการป้องกันบาปขาจัดบาปสร้างบุญรักษาบุญ พูดลักษณะที่รองลงมาพูดถึงการละบาปบาเพ็ญบุญพูดอย่งหนึ่งพูดอย่างเดียวคือการบําเพ็ญบุญที่เ ร, เรียกว่าภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนานั้นพูดอย่างเดียวคือบำเพ็ญบุญมันจะมีลักษณะเหมือนอะไรเราจะเห็นว่าการพูดเต็มสี่อย่าง มันเหมือนกับร่างกายเรามันเหมือนกับประเทศชาติมันเหมือนกับสถานะทางเศรษฐกิจทางการศึกษาอะไรต่างๆทั้งหมดเอาพูดบ้านเมืองเมื่อเรามีกระทรวงสิบกว่ากระทรวงส่วนใหญ่ประเทศต่งตางๆมันก็มีประมาณสิบกว่ากระทรวงทั้งในบรรดาเนื้อหาสาระตัวเนื้องานจรงิงๆที่ทํากันอยู่ในกระทรวงต่างๆจะมีจุดเน้นที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือป้องกัน ป้องกันปัญหาความมั่นคงของชาติโดยรวมเป็นเรื่องของทหารปร้องกันความไม่สงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองเป็นเรื่องมหาไทยป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องของกระทรวงคารคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเป็นการป้องกันปัญหาสาธารธาภัยทางหลายเป็นเรื่องกระทรวงมหาดไทยกรมเกระทรวงเกษตรเป็นต้นคือเราจะเห็นว่างานทั้งหมดที่จริงคืองานป้องกัน ปัญหาไม่ยังไม่เกิดแต่ว่าป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดเพราะถ้าเกิดแล้วจะมีปัญหาแน่นอนอีกแนวหนึ่งมันปัญหาเกิดแล้วมีนาที่ในการบำบัดปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมปัญหาทางการเมืองปัญหาทางสาธารณสุขปัญหาทางนิเวศปัญหาทางสภาพแวดล้อมปัญหาบุหรพิษมันเกิดแล้วถ้าไม่บำบัด มันจะทับทวีมากยิ่งขึ้นมีการสูญเสียมีการลบระดก็มีงานหน่วยหนึ่งเกิดขึ้นมาบำบัดตรงนี้สิ่งดีงามต่างๆที่ยังไม่เกิดการพัฒนาประเจกชนแต่ละคนภายในสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาการเมืองพัฒนาการด้านต่างๆนั้นมันมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แพร่หลาย มีคนร้อยโอกาสต่างๆเป็นมาก็มีการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาทุกจุดด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขด้านนิเวศด้านสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดถึงกนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วเสร็จแล้วก็มีการรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นั่นแนวเป็นโครงสร้างหลักที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่โลกมีมนุษย์มา ร่างกายของเราเองพูะเจ้าก็เรียกว่าโลกบางทีตาเองอย่างเรียกว่าโลกอายตนาโลกก็คือตาหูจมูกมือ่นกายใจธาตุโลกก็คือดินน้ำนองไฟอากาศขันธะโลกก็คือชีวิตของเราแต่ละชีวิตก็สรุปว่าแต่ละอย่างนั้นก็เรียกว่าโลกงานเต็มที่ก็คือมีการป้องกันมีการบำบัดมีการบำรุงมีการรักษา อีกแนวหนึ่งพูดถึงการล่า บ, บาปบำเพ็ญบุญมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบง่ายๆเมื่ออาบน้ําำำแต่งตัวทําอาบน้ําทําไมแต่งตัวทําไมอาบน้ําก็คือขจัดสิ่งที่โส ก, กรปรกสิ่งที่ปฏิกูลออกไปสิ่งที่ไม่สะอาดออกไปก็เหมือนกับบาปความชั่วทั้งหลายที่จะต้องบําบัดที่จะต้องขจัดออกไป สิ่งสกปรกเหล่านั้นเป็นโทษเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจบาปก็เป็นโทษเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเราอาบน้าคอยจัดสกปรกทางกายละบาปเป็นการขาจัดสิ่งสกปรกทางใจถ้าถามว่าสกปรกกายกับสกปรกใจอะไรมีปัญหามากกว่ารเราเห็นว่าสกปรกทางกายนั้นคนนั้นคนเดียวที่อึด น, นะคนอื่นไม่ต้องการ ให้หนาทให้เหม็นกลิ่นก็ขยับใะหน่อยมันก็ไม่ได้กลินล่นนะแต่สกรปรกจิตนั้นมันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมกระ ท, กทบแรงบางครั้งสร้างปัญหาระดับโลกได้ถามเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมันมีความคิดร้ายจึงมีการกระทําร้ายเรื่องบางเรื่องจึงกระเทือนไปได้ทั้งโลกสงครามอ่าวก็เทือนไปช่วยโลก แม้แต่การทดลองระเบิดประปนูของฝรั่งเศสก็กระทบกระเทือนไปทั่วโลกนี่คือปัญหาเรื่องจิตใจจิตมันมีปัญหาพูดแล้วก็สร้างปัญหาธรรมแล้วก็สร้างปัญหาออกไปเพราะฉนั้นถ้าก็สอนในแนวของการละตกลงว่าสร้างความสะอาดทั้งเรือนกายและเรืองใจกายสะอาดใจก็สะอาด เตอใจสะอาดจะดีกว่ากายสะอาดแต่ถ้าอาจสองอย่างมันก็ดีจุดประสงค์จริงๆท่านต้องการให้สะอาดทั้งสองอย่างแต่การำํำระสิ่งสกปรกทางกายนั้นทำได้ง่ายแม้จะเกิดบ่อยๆเกิดต่อเนื่องก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในใจมันเกิดเร็วกว่าแล้วเกิดต่อเนื่องมากกว่าสร้างปัญหามากกว่าวิธีการอาวุโสจึงเป็นเน้นให้ความต้องการที่ตัวจิต การแต่งตัวก็คือเอาสิ่งดีงามเข้ามาประดับประดาตกแต่งร่างกาให้มีความสวยงามน่าดูน่าชมขึ้นแล้วก็มีวิธีแต่งขึ้นไปโดยลำดับแต่งครั้งแรกก็แต่งกายกละแต่ทำยังไงว่าให้สอดคล้องกับกายคือแต่งใจให้สอดคล้องกับกายเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงใช แรงกระตุ้นคือชื่อเป็นตัวกระตุน้นชื่อตั้งหลายที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาจะกระตุ้นจิตสำนึกของคนทั้งหมดก็ เ, เรียกว่าไอ้เกิดสัญญาคือสำนึกสำเนียกว่าเราเป็นอย่างนั้นเรตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสุบสืบก่ อ, อไป